ชื่อนุชค่ะนุชค่ะนุชนุชเไป็นไงบ้างอพอดีช่วงนี้หนูบางทีอารมณ์หนูจะโมโหง่ายแล้วก็จะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ดึงสติกลับมาพยายามเวลาโกรธนี่พยายามพุทโธพุทโธพุทโธสงสัยเราคงไปทำอะไรกับเขาไว้คือคิดอย่างนี้ตลอดอะค่ะพอสักพักหนึ่งคิดได้สักพักหนึ่งเออเราปล่อยไปให้มันเป็นความว่าง เราไม่ต้องไปนึกถึงมันแล้วโ อ, อ้ไม่ได้ปล่อยมันเป็นความว่างนหลังเดี๋ยวเดี๋แต่ก็กลับมาอีกเหมือนเดิมค่ะของนู้นนี่ยังไม่ค่อยถูกเป็นไปยเจ้าลมใช่ค่ะลลมมแล้วนี่เจ้าอารมมากเลยเหมือนกระันจะชกต่อยกำแพงได้เลยเวลาโกรดนี่ร้อยองศาเลยค่ะนั่นอะไรเจ้าลมมากมันปล่อยกําแพงได้เลยอะ อะไเป็นผู้หญิ ง, งเนี่ยเป็นผู้ชายแลต่อยเลยจะอารมมากเลยแล้วพอที่จะถ้เราไปท <ำ S 2> ไ<ม>ําพราว่างก<ม>็ผิดนะพอมันจะมีลมแล้วไปพลิกอยู่กับว่างั้นไม่ถูกนะเออ <c oughs> ความจริงเนี่ยพวกเจ้าลมโมโหไ ล, ล่เ ร, เ, รเราเราต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาเป็นคำบริกรรมแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาเป็นคำบริกรรมเลยมันมีอยู่ในแท็กเมื่อไงอยู่ในอยู่ในแผ่นเนี่ยไปเปิดดูในในในอะไรก็มันมีชื่ออยู่เนี่ย คือแผ่มเมตตาแผ่อะไรรึเปล่าเมตตาคำจุนโลกอะไรเนี่ยเราไปดูนะวิธีการแผ่มเมตตาอธิบายไว้ละเอียดมากเลยใช่ค่ะเราไปฝึกแผ่มเมตตาน ะ, ะอย่าไปเมตตามเมตตาคน ห, หนึ่งว่ตาต่าคนนู้นต่ตาคนนี้ยคือเมตตาตนให้มากมากการคิดการพูดการการะทําอะไรกร็ตามทําให้ตัวเองต้องไม่สบายใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเล่าร้อนเราก็เหมือนกันกับคนอื่นเราก็การคิดการพูดการกระทาอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเล่าร้อนเข้าใจไหมล่ะ คเ huh, <oney, S 1> ถ้าอย่างเงี้ยเมตตาตนอย่างไงก็เมตตาคนอื่นอย่างนั้นการคิดการพูดการกระทาอะไรที่เราจะก็ไม่ทําให้ตนเองเป็นปทุกข์เดือดร้อนมันเราก็จะไม่ทําให้การคิดการพูดการกระทำของเราก็จะไม่พยายามไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขตลอดเลยจนแผ่เมตตาจนเป็นคำบริกรรมทั้งวันทั้งคืนเน่ยเราทํางานอยู่กับหมอด้วยก็เราก็ในใจก็นึกแผ่เมตตาทั้งวนันทั้งคืนปรารถนาให้ตัวเราและคนอื่นนั้นได้ดีมีสุขพ้นทุกข์หมดเลยไม่มีเกียรติจังใครเลยค่ะ เข้าใจไหมมันมีสอนอยู่ในรู้สึกในเมตตาเมตตาทำคำเจริญโล่งนะหนังสือได้หมดแล้วมั้งเนี่ยได้ยังอยู่ที่กินอีกหมออ่ะยังค่ะอ่ะมาเอาเอาไปฟังกับปุถุโตตมโมตังโคลุถุโตตมโมตังโคละคนทุกคนทุกุกคนทุกคนรู้ทำเห็นทำนะโกรธเขาเราก็ทุกเองโกรธเขามโหเขาเราก็ทุกเองท่องไว้ ดวตาค่ะหนูตานูมการค่ะเวลาหนูโมโหชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อขาวค่ะสาวขาวค่ะชื่อขาวว่าไงเวลาหนูโมโหอย่างเงี้ยเวลาแฟนทํำอะไรไม่ถูกใจอะไรเนี่ยจะโมโหเร็วค่ะแล้วจะมีวิธีแก้ยังไงนะคะก็เพียรรักษาจิตใจของตัวเองให้มันเหมือนผ้าขาวอ่ะรู้จักผ้าขาวไหมเออทีก็ใส่ไปไปวัด ตนุ่มขาวผมขาวอะนั่นได้ไหมล่ะเปลี่ยนรักษาจิตใจของตัวเองให้เหมือนผ้าขาวอ่ะของเราเวลาของขึ้นมันวีด ว, ด ว, ดวดีได้เลยวเวลามาโหรเนี่ยมันออกวีดวี ด, วดได้เลยไอตัวนี้มันก็เนี่ยท่านดูดูแบบนี้แล้วทุกคนแล้วเนี่ยที่ชีวิตเราตกต่ําตกระก ร, รมลําบากตกทุกข์ได้ ย, ยากก็เพราะเนี่ยอารมณ์นี่เองเป็นอิสัย นิสัยหรือสันดานของตัวเองนี่เองเป็นเจ้าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตตกละกําลำบากทุกอย่างก็เพราะนิสัยสันดานตัวเองนี่เองเป็นต้นเหตุดูแลแต่ละคนเนี่เป็นไปนตาม น, นิสัยสันดานของใครของมันเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่แก่ยากเพราะมันเป็นนิสัยสันดานแต่ถ้าไม่แกก็แย่แน่จริงๆแต่ละคนทาไม่แก่ก็แย่แย่แน่จริง ๆ, นนงๆเพราะนิสัยสันดานทำให้แต่ละคนคนไหน ขี้น้อยใจก็น้อยใจทําให้ชีวิตต ก, ะกละกรรมลำบากคนไหนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์ก็ทำให้ชีวิตต ก, ะกละกรรมลำบากคนไหนชอบติจินินทาว่าร้ายติเตียนนินทาว่าร้ายคนอืก็ทำให้ชีวิตต ก, ะกละกรรมลำบากไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นนิสัยสนดานอ่ะมันเป็นนิสัยสันดานที่ติดม า, าคาภพคามชาติแล้วไม่ได้แก้ไขพอไปตกมาลกเสยาวนานแล้วเกิดเป็นสัตว์ในฌานเป็นสัตว์รกายสัตว์นรกแล้วพ้นปะพ้นโทษออกมาแล้วกพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ นิสัยสันดานพวกนี้ไม่หายมันิตจิตมาพอมาเกิดแล้วก็มาเกิดในร่างอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในฉันเปรตสุนทรกายสัตว์นรกมนุษย์ก็จะเป็นนิสัยสันดานแบบนั้ น, นแหละเราก็ต้องมาแก่ทุกคนก็ต้องแก้หมดไม่ใช่ว่าวาไคทั้งหมดนะเนี่ยคือนิสัยสันดาลไม่ได้เป็นภาษาพูดคำหยาบนะพระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้อันนี้เนี่ยในเรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นการพูดเล่นแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้ข้ามภพข้ามชาติได้ดีมีสุข มีความเจริญตกต่ําทุกยากลาบากเวียนตายเวียนเกิดก็เพราะนิสัยสันดานนี้แหละเป็นต้นเหตุเพราะอะไรล่ะผู้เจ้าตรัสรู้ในยามที่สามในวันวิสาขาบูชาตรัสรู้ตรงนี้เนะี่ยว่าเพราะอาวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปจัจจัยเกิดนามรูปตรรยตนา ภ, าภาษาตันหาวประธาน ภพชาติชร า, ามราณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแกนใจเบียนว่าตายเกิดกเพราะอาวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาคือความมีความรู้สึกเป็นตัวเราแล้วก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในความรักความจังจนเกิดเป็นนิสัยสันดานคือชอบคิดอย่างนั้นชอบพูดอย่างนั้นชอบกระทําอย่างนั้นจนเป็นความเคยตัวเคยใจพอบ่อยๆเข้าตอนแรกๆก็เป็นความคุ้นเคยเพอนานๆเข้าก็เป็นความเคยชินนานๆเข้าก็เป็นนิสยัยนานๆเข้าก็เป็นสันดาน ตัวอวิชชาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของภพชาติการเรียนไหว้ตายเกิดทุกโศกเศร้ า, สาเสียใจครับแค้นใจไม่มีมิจบสิ้นเนี่ยคืออวิชชาคือความตลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายไม่รู้เหตุว่าความเป็นมาและเป็นไปไม่รู้เหตุในการแก้ไขตนเองพระสาวกทั้งหลายถามพุทธเจ้าตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วอะไรเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเพราะว่าพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าอาวิชชาเป็นพ่อแม่ของปฏิจจ ปฏิจจสมุปบาทคือการเวียนว่ายตายเกิดทุกตกเศร้าเสียใจครับแกนใจไม่มีที่จบสิ้นแล้วอะไรเราเป็นพ่อแม่ของอวิชชาก็คือนี่เนี่ยอาสวะหรือนุสัยนิสัยสันดานเนี่ยแต่ภาษาเขาแปลว่าอาสวะก็แปลว่ากิเลสเครื่องดองสันดานนี่ไงอนุสัยแปลว่าความเคยตัวเคยใจอาสวะอนุสัยก็คือกิเลสเครื่องดองสันดานที่มาจากความเคยตัวเคยใจในการคิดพูดทํามา หลายพบหลายชาติข้ามพบข้ามชาติมาเป็นพ่อแม่ของอวิชชาทําให้เราเนี่ยตกละกรรมลําบากตกทุกข์ได้ยากหรือว่าได้ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนี่เนี่ยตรงนี้สายสันดาห์ของแต่ละคนนี่เองเป็นต้นเหตุทุกคนจึงเนี่ยมาเกิดเนี่ยจึงมีความเป็นอยู่มีตําแหน่งราบยศถาบรรดาศักดิ์มีความทุกข์ยากลําบากตกตำ่ำอยากจนคนแค้นแสนสาหัส พี่คนพีการตาบอดหัวหนวกแกนกาดขาดประสบอุบัติเหตุเพลียไม่เหมือนกันก็เพราะนี่เนี่ยมาจากนี่เนี่ยนิสัยสันดานของตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้ตัวเองอ่ะไปคิดไปพูดไปกระทาทํากรรมเข้าตามนิสัยของตัวเองจึงทําให้ซ้ําแล้วซ้ําอีกยิ่งเป็นนิสัยสันดานก็ยิ่งคิดซ้ําพูดซ้ําทําซ้ําคิดซ้ําพูดทำทำซ้ำสุดสุดก็ตกต่ําไปทําไมตกต่ําแล้วทําไมถึงจะพ้นได้ ก็ต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้วิธีเดียวเลยที่ต้องลวนได้คือต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้พระพุทธเจ้าพระรัตน์ทั้งหลายล้วนแต่ต้องเอาชนะใจตนเองได้ผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้งสามเป็นใหญ่ต่างๆไม่ว่าเป็นพระมหาการสัตว์เป็นเป็นจอมเป็นจอมทัพเป็นมหาเศรษฐีต้องล้วนแต่ต้องฝึกฝนจิตใจมาเอาชนะใจตนเองมาได้ทั้งนั้น ต้องฝึกฝนจิตใจเอาชนะใจตนเองมาแล้วทั้งนั้นแน่คนที่แพ้ใจตนเองตลอดเวลาเป็นใหญ่ยากเพราะว่ามันจะตามใจตนเองทุกอย่างแล้วที่สุดก็พาตัวเองตกละกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยา ก, ก็เพราะบาปกรรมที่ไปทํามาเริ่มทําผิดตั้งแต่สี่ห้าแล้วที่สุดก็เริ่มบาปกรรมตามมาแล้วตอนนี้ยเพราะสี่ห้าทั้งหมดคือนรกที่รองรับไปพุทธเจ้าจึงห้ามเป็นโทษไร้ายแรง ก็ต ก, กำละกรรมลําบากในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ในภพชาติ ต, ต่อไปแล้วก็เพราะนี่นิสัยสันดานอาสวัลลังไสเนี่ยเป็นต้นเหตุแต่แกนิสัยสันดานตัวเองได้มันก็กิเลสเครื่องรองสันดานกิเลสเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ต้องขัดใจขัดใจใครแล้วจะไม่มีกิเลสมีกิเลสทุกคนแต่อยู่ที่หักใครหักห้ามใจตัวเองได้มากขนาดไหน ทุกคนไม่จะมีมใครไม่มีกิเลสไม่ว่าใครก็มาจากมีกิเลสพุทธเจ้าพวะหลาทั้งหลายก็มาจากมีกิเลสก่อนลวงตาก็มามีกิเลสมาทั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็มีกิเลสมาใครก็มีกิเลสทั้งนั้น่ะมาจากกิเลสทั้งนั้นไม่มีใครหรอกต้องยอมรับว่าทุกคนมาจากกิเลสหมดกิเลสทั้งตาอยากมองอยากดูน่นดูนี่อยากดูนั้นอยากดูนี่อยากรู้นั้นอยากนี่นั้นตลอดเวลาอยากดูในสิ่งที่ตัวเองชอบใจเพลิดเพลินเจริญใจ คนไหนชอบเล่นเกมโทรศัพท์มือถือก็เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนคนไหนดูหนังซีรีส์ก็ดูหนังซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนคนไหนชอบเที่ยวชอบอะไรก็ดูวันทั้งวันจับดูนั่นดูนี่ทั้งวันทั้งคืนเน่ๆเพราะว่าไม่ขัดใจตนเองแต่คนที่เป็นใหญ่เราสังเกตดูสิคนที่เป็นใหญ่เขารู้จักที่จะยับยั้งใจตนเองไม่เช่อว่าโอบ้าทั้งวันทั้งคืน แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นใหญ่เนี่ยเวลาดูซีรีส์เช่าดูจนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนติดงอมแงมเลยเล่นเกมติดงอมแงมไปหมดเลยอันคนที่น้อยอภัพอับศาณาลงไปเรื่อยๆคือตามใจตนเองใครไม่มีกิเลสทั้งตาบ้างเห็นคนสวยมันก็อยากได้เห็นคนหล่อมก็อยากได้มีเมียแล้วมันก็อยากได้เข้ามามีเมียอีกไม่รู้กี่คนแต่กี่คนทุกคนนี่ มีผัวแล้วก็อยากได้เห็นเขาหล่อก็อยากได้มาเป็นผัวไม่รู้กี่คนกี่คนทุกคนเป็นอย่างงี้หมดรับรองเห็นใครสวยมันก็อยากได้ทุกคนแต่มันมีความจับยางช่างใจคนที่เป็นใหญ่คนที่จะประสบตระหนชีวิตเขาก็มีความจับยางช่างใจถ้าหาผิดพลาดไปแล้วก็ก็สามารถกลับลําได้แมเหมือนองค์กุลีมานเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระอรหันต์ได้ที่สุดเคยฆ่าคนมาตั้งเยอะแยะ ที่สุดกลับลําได้เอาชนะใจตนเองได้กับรู้อหรหันต์ได้เห็นไหมแม้แต่จอมโจรที่ยิ่งใหญ่มากจําชื่อไม่รู้ว่ามันชื่อจําชื่อผิใช่หรือเปล่าสมัยแอร์ได้แหละจอมโจรสมัยแอร์ด้วยเลยที่จอมโจร ป, ป้นป่นจอมโจรสลัดป้นเรือสลัดแล้วก็ไททีบสมัยสงครามญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจอมโจรไททีพปกญี่ปุ่นขนสินค้าแล้วก็ คนนี้ก็จอมโจรคนนี้ก็ถีบสินค้าญี่ปุ่นทิ้งลงกลางทางแล้วไปเก็บหมดไม่กลัวไม่กลัวตายคนนี้แกข่งๆแล้วที่สุดก็มาบรรลุอราหันต์ได้เหมือนกันเนี่ยพนเวาลากลับลําได้เอก็เป็น ถ, ถูกตามล่าถูกฆ่าพอแม่ตายแล้วก็กลางคืนแอบดอดไปไปกราบศพแม่เพราะว่าใ ห, ให้สัญญากับแม่ว่าจะบวชให้แม่แม่ขอร้องขอให้บวชให้แม่สุดท้าย ตัวเองกลับมาไม่ได้เพราะว่าโดนตามล่าแล้วก็ไม่ลูกน้องเยอะแยะด้วยแล้วก็โดนตามล่าก็แอบดอดบางคืนมางานมากราบศพแม่แล้วก็เสียใจที่แม่ขอร้องให้บวชไม่ได้บวชก็เลยไปแอบบวชที่ทางทางใต้ไม่ใครรู้ก็ดีโชคดีไปเจอครูบาอาจารย์ ท่านก็สอนให้เบื้องต้นสอนการปฏิบัติทําให้เบื้องต้นแล้วก็บอกว่าเราไม่ใช่อาจารย์ที่แท้จริงของเจ้าเพราะท่านมีญาณอย่างรู้อาจารย์ที่แท้จริงของเจ้าอยู่เชียงใหม่นุ่นอยู่ท่านอยู่ทางใต้าจาไม่ได้จังหวัดอะไรสตูลหรืออะไรไปบวชอยู่แอบบวชที่สตูลตอนมากาศบศพแม่มาที่กรุงเทพแล้วก็หนีไปบวชที่สตูลแล้วก็ อาจารย์นี่ก็สอนให้สักเดือนหนึ่งมั้งสอนให้ปฏิบัติธรรมอะไรได้เบื้องต้นให้หมดแล้วก็บอกว่าเราไม่ใช่อาจารย์ของเจ้าอาจารย์ของเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าหลวงปู่ตื้ออาจารธ์รโมองนี้เป็นพระอรหันต์ที่ที่ดุมากแต่เจ้าเนี่ยจะต้องเดินเท้าเปล่าไปจากสตูนไปถึงเชียงใหม่ถ้าเจ้าคือรถเขาจะไม่รับเจ้าเป็นศิษย์ แต่ก็แน่จริงๆอะเนี่ยโอ้ยถ้าคนมันใจมันโลเลโลเลอะไรมันทำไม่ได้แล้วเดินท้าป่าจากสตูลไปเชียงใหม่ก็รับเมื่อรับป่าแล้วก็เดินทางไปไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ไปตามหาหลวง ป, ปู่ตือ้ออาจารยธรโมแต่ท่านก็นคงเจอมีวาสนาอยู่เพราะว่าไปตามหาหลวง ป, ปู่ตื้อจนในป่าจนเจอเจอหลวง ป, ปู่ตื้อกาลังนั่งสอนคนอื่นอยู่ก็รู้ว่าเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่ตื้อก็เข้าไปกราบ หลวงปู่เต้ยเห็นกันนั่นแหละรอจนคนอื่นไปหมดแล้วก็บอกเลยบอกว่าบอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าก่อนบวชนี่มีชีพอะไรห้ามโกหกนะเพึงเลยอึกอักอึกอักบอกมาเดี๋ยวนี้ประกอบบวชมีชีพิอะไรบอกว่าเป็นหัวหน้าโจรหลวงพูเต้ยให้ไปกราบพระ เอาดอกไม้ทูบเตียนไปกราบพระให้สาบานว่าจะบวชไม่สึกไปเลยไปสาบานแล้วบวชไม่สึกท่านก็ยอมรับเป็นลูกศิษย์สุดท้ายเป็นลูกอรหันนะองค์เนี่ยเป็นลูกอรหันทุกอย่างมันต้องชนะใจตนเองหมดเลยกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสใหญ่ต้องชนะใจตนเองหมดน่ะคนที่มีนิสัยดันดานอย่างไรชอบตําหนิตีเตียนนินดาหว่าหลายคนอื่นก็เลิกคนไหนชอบเจ้าอารมณ์ก็เลิก คนไหนชอบน้อยใจก็เลิกใจน้อยนอยใจกี่น้อยใจก็เลิกออคนไหนชอบบกบุญในการปับต่าราคาก็เลิกคนไหนชอบอะไรล่ะมือเพอเพินฝันกาอากาศก็เลิกอะไรก็เรื่ออะไรก็ต้องเลิกเลิกปึกไปมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่ใช่ว่าเลิกได้ทันทีดีดีเขารอกมันก็ค่อยขัดก็เค่อยค่อยลดลงลดลงกิเลสแล้วค่อยรู้เท่าันรู้ตัวเท่าทันแล้วฝืนใจฝืนใจตัวเองแล้วก็เลิกละหักลัมแล้วก็ ขนาดอุตส่าห์ให้ศัาสนาตอพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้หน้าต๊หมู่บูชาต่อหน้าพระบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วไม่คิดไม่พูดไม่กระทําอย่างนี้กแล้วเดี๋ยวก็พลาดอีกแล้วพลาไปทําอีกแล้วเป็นนิสัยสะดาดไปข่าวขอเข้ามาขอเข้ามาขอโทษขอโทษขอโทษอย่าโกรธผมเลยขอโทษขอโทษต่อไปนี้ผมจะจะต้องห่างามใจตัวเองให้ได้เอาอีกแล้วเดี๋ยวก็พลาดอีกแล้วไปขอโทษขอโทษอีกแล้วขอโทษไปรู้กี่รอบ ตัวท้ายมันก็น้อยลงไงเพรว่าผิดอะไรก็ไปขอโทษทุกทีแล้วมันก็น้อยลงตอนนี้ยผมตอนนึกผิดแล้วผมตอนนึกผิดแล้วขอโทษขอโทษเนี่ยแล้วผมตอนนึกผิดแล้วก็ขอโทษขอโทษมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะผิดอะไรก็ไปขอโทษขอโทษมันก็จะจะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆไม่มีใครหรอกมันจะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องน้อยลงไปหลังจากขอโทษขอโทษขอโทษตํานึกผิดแล้วขอโทษขอโทษโห้ยคนที่เนี่ย ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยกลับลําได้ขอเข้ามาต่อพระพุทธพระธรรมประสงค์ขอเข้ามาต่อผุ้ที่เราร่วงเกินนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าผิดพลาดไปดแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ผิดศีลผิดธรรมอีกจะเป็นคนดีคิดดีพูดดีทดําดีจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะพาตนในพ้นทุกข์จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในพ้นทุกข์ไม่ได้มันก็จต้องดีแน่นอนแล้วตั้งจากสจาัจจะทิฏฐานมั่นคงไว้แบบนี้เอาไว้ล่ะอัตา บ, บัมแม่ก็ดีขึ้นแน่นอนเจริญขึ้นแน่นอนนะ ในเดินในทางแห่งความเจริญก็คือต้องสัจจะอธิษฐานบารมีสิบบารมีสิบหัวหอของบารมีสิบเนี่ยบารมีสิบนี่เอจะเป็นใหญ่เป็นโตในโลกในโลกทั้งสามไม่ว่าจะจะเป็นใหญ่เป็นโตจะประสบสำเร็จ อ, อะไรนในทางโลกและทางธรรมเนี่ยล้วนต้องผ่านบารมีสิบมาทั้งนั้นแหละหัวหอของบารมีสิบก็คืออะไรนี่แนี่ยต้องสัจจะอธิษฐานเนี่ย สัจจะบา ร, รมีทิศานบา ร, รมีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกับศัสน า, าลเลยว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทําเนี่ยจะละบาปจะละบาปพอละบาปตั้งใจละบาปก็ไม่ก็เป็นศีลบา ร, รมีนะเป็นศีลบา ร, รมีนะละบาปจะละบาปจะคิดดีพูดดีทดําดีจะเพียรพาตนในปฏิบัติพาตนในพ้ทุกเนี่มันก็เป็นเนี่ยธ ม, มบา ร, รมีพัฒนาความพ้นทุกเ น, มมนี่ยธบารมีเนี่ยแล้วก็ จะช่วยเหลือกืกูลผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นเมตตาบาลมีกรุณาบาลมีอุเบกคาบาลมีเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นบาลมีสิบนะเพียรได้ได้บาลมีขันติขันติอดทนอดทนอย่าพ่ายแพ้กับจิตใจตัวเองมีครับมีขันติบาลมีอย่างเงี้ยมีวิริยะบาลมีมีปัญญาบาลมีที่จะพาตนให้รอดพ้นออกจากกิเลสตัณหาให้ได้เนี่ยบาลมีสิบเนี่เนี่ย หัวหอมมันคือสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีผิดพลาดไปแล้วก็ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษต่อพระพุทธเนี่ยขอโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ธีเราลงเกินขอโทษข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้วขอโทษจะไปทําอีกจะไม่ไปคิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้อีกขอโทษเดี๋ยวว่าผิดอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปขอโทษขอโทษอีกแล้วแล้วก็ค่อยแก้ไขจริงข้าพเจ้าจะสำนึกผิดแล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะแก้ไขให้ได้แล้วก็ค่อยๆดีไปเองอ่ะดีดีเดียวสุดท้ายมก็มันก็มีแล้วจะดี เหลือแดีพอเหลือแต่ดีแล้วเมื่อเป็นดีหมดสลมมันก็ไม่ติดดีไม่รู้จะเอาดีไปทําอะไรคือไม่ติดดีไม่คิดว่าเออเอาดีไปเพื่อจะไปเป็นใหญ่ไปเป็นมหาเศรษฐีเป็นใหญ่ไปโตในสวรรค์หรือในโลกใดๆไม่คิดจะไปทําอะไรอีกแล้วพอดีเป็นดีหมดสแลมมันก็ไม่ไม่ไม่ติดดีมันก็อยากจะพ้นดีไปคือนิพพานคือเหนือดีไปอีกอเหลือเหลือชั่วเสร็จแล้วมาเป็นดี เรียดีไปก็เป็นนิพพานต้องต้องรู้จักต้องฝืนใจในตลอดเวลาเลยนั่นแหละคือคือคือฝืนใจนั่นคือขันติบา ร, รมีขันติบา ร, รมีแล้วก็วิทยะบา ร, รมีเพียรให้ได้อย่างสัจธรอธิษฐานที่ตัเองนั่นไปอันเนี้ตัวสําคัญที่สุดคืออธิษฐานบา ร, รมีสัจธรบารมีนี่ตัวหัวหอกําคัญจะเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งลาภยศต บ, บัติพุทธฐานมีความสําเร็จในทางโลกทางธรรมล้วนแต่ต้องมี อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีตามแผนที่ให้ไปเนี่ยต้องไปตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีแล้วทําให้ได้อย่างที่อธิษฐานไว้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองนะแต่ถ้าอธิษฐานตั้งสัจจะไว้แล้วไม่ไม่ทำอย่างอย่างที่อธิษฐานไว้ชีวิตก็ตกกรรมลําบากเพราะว่าพอคนที่ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระพุาทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาตั้งใจร้อยเปเต์สัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานร้อยเปซต โอ้ยผู้มาล่วงบรรทมโมทนาสตาธุการอนโมธนาก็หิมไปทั้งจักรวาลเสร็จแล้วอธิษฐานเสร็จแล้วไปทํากรรมชั่วเดี๋ยวเราไปไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่ทําตามที่สัจจะที่ให้ไว้โอ้อันนี้ก็ตกหลกรรมลําบากเลยยิ่งหนักไปอีกแต่ถ้ามันก็เหมือนกันแรกกัน่ะตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปผิดสัจจะก็ตกหลกรรมลําบากหนักไปอีกแต่ถ้าทําได้อย่างสัจจะอธิษฐานก็ได้ดีมีสุขอาจจะพ้นทุกข์ไปเลย เหมือนกับหลวงปู่เจ้าจุนโทนั่นปกติก็บวชมาแล้วก็ใครก็ดูถูกว่าโอ๊ยบวชเป็นคนดิอะไรนะเหมือนกับเป็นนั ก, นกเลงหัวไม้ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมไปบินตบาทมาแล้วก็มากินแล้วก็มานอนเล่นอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็ดูถูกว่าโอ๊ยเดี๋ยวมก็สึกวันหนึ่งอะ ท่านเห็นคนที่มาใส่บาตรท่านน่ะมีกระเหนี่ยวกระติบเล็กนิดเดียวแล้วบ้านเขาก็ยากจนมากแต่เขายังอุตส่าห์มาใส่บาตรท่านแล้วเขาก็อธิษฐานเนี่ยเนี่ยเขาไม่เขาเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้มาบวชเรียนเหมือนท่านขอใท่านเนี่ยปฏิบัติได้พ้นทุกข์แล้วได้มาผ่าเขา มาสอนทำให้เขาได้รู้จักรู้ทำเห็นทำบ้างนิพพานาปัตยโยตุในปัจจุบันนี้โดยเทินเขาก็ทัวยกมือท่วมหัวท่านเห็นเราวสะอึก เ, เห็นว่าเขาทุกยากลําบากเขายังเนี่ยหวังเอาท่านเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นเนื้อนาบุญนึกว่าเข้าใจว่าท่านเน่ะเป็นเนื้อนาบุญทําบุญคือหวานหวานบุญเอาใส่บาตไว้เหมือนหวานานาข้าวคิดว่าข้าวมันจะงอกงามในนาของท่านเลยกว่าเนื้อนาบุญ แต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรเลยหลอกกินข้าวเขาท่านเลยเสียใจจุดถูกเทียนบูชาพระตั้งสัจจาอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานบา ร, รมีว่านับตนี้เปต้นตไปสามเดือนถ้านอนหลังแตะพื้นกระดานลงเมื่อไรเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าตายขอให้น้ำท่วมขอให้ไฟไหม้ขอให้ธรณีสูบให้ถึงแก่ความตายโดยพันถ้าหากแต่ถ้าหากทาได้อย่างสัจจะอธิษฐานขอให้ได้บรรลุ พ น, นิพานเพราะฉะนั้นมันต้องแลกกันนะระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างบุญบา ร, รมีกับบาปมันต้องแลกกันไม่ใช่ไปชีวิตไปเรื่อยๆเลี้ยงเรื่อยๆเลี้ยงๆไม่ได้ไปย่งไรหรอกเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยเนาะต้องกล้าๆหน่อยแล้วทําให้ได้อย่างสดจิตีวิตมันก็จะดีขึ้นเราเห็นคนที่ถานไปแล้วไม่ทําอย่างสดจิต่านปล่อยชีวิตไปเรื่อยเหลวไหลชีวิตตกละกําลำบากไม่ค่อยได้เลื่อนได้ลาอะไรเลนะเทะ แต่คนไหนที่ตั้งสัจายอิทธาแล้วเอาจริงตามที่สะจจะอิทธาที่ให้ไว้ก็ได้ดีมีสุขคนทุกไปเยอะแยะไปทั้งหลายคนเนี่ยไปได้ดีมีสุขทั้งหลายคนสุดท้ายหลวตัปุจเจจุนโทบรรลุอรหันต์จริงตามที่ตามที่ท่านตั้งสัจายอิทานะท่ว่าโลกธาตุความวัฏจักรหักสะบันบรรลุอรหันต์จริ ง, รงเนี่ยเหมือนกับแลกกันเลยทันกาที่เจริญฐานว่าสามเดือนถ้า หลังแตะพื้นกระดานเมื่อไรนอนหลังแตะพื้นกระดานเมื่อไรก่อยฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ธรณีสูไอ้น้ําท่วมตายตันกาหานะเนี่ยอย่างนี้ไหมโอ้ยอย่างนี้มันต้องสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีคันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีมันมันพร้อมหมดแล้วทั้งเมตตาบา ร, รมีก็เมตตาตนเน่ยผาตนในพ้นทุกข์ในขมั่บา ร, รมีพาตนออกจากทุกข์เนี่ยสีบบารมีทานบา ร, รมีโอ้ยอย่างนี้มันพร้อมหมดแล้วอันเนี้ยคือสลากิเลสเป็นฐาน ตลาดความสะดวกสบายเป็นทานทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมหมดแล้วอนี้เมื่อความสมัครก็สำเร็จสมปรารถนาเลยเนะเข้าใจไหมล่ะทาไม่ได้นะอวิษฐานเข้าเนี่ย